วันนี้เป็นวันที่สิบวันเสาร์ที่สิบตุลาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อไปในงานของหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรหลวงปู่ใหญ่อายุหลวงปู่พระพระอุรมยานโมลี หลวงปู่จันศรีจันททีโปจอวาดวัดโพธิสมพอรอายุของท่านร้อยสี่ปีเมื่อวานปันษามแปดสิบสี่หลวงพ่อไปถึงวัดโพธิสมพรจากนั้นก็ได้ขึ้นแสดงธรรมเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงครึ่ง พ อ, อไปเสียก็บ่ายสามโมงกว่านิดหน่อยพ อ, เ, เ, อเทศจบลงมาหลวงพอ่อลงมาจากสาราปฏิบัติธรรมโอ้พี่น้องศรัทธาญาติโยมล้นหลามเมื่อวานกำลังแสดงธรรมกำลังอธิบายเรื่องวิปัชนานะ ถึงวิปัสนาไม่กี่ประโยคศรัทธาญาติโยมที่นั่งเก้าอี้เก้าอี้หักพ่อเก้าอี้หักแล้หล่นคมเลยเสียงดังสนั่นเลยแต่คนก็เลยมองกันไปดูเกี้ยวจาวขึ้นขึ้มาหลวงพ่อก็เลย เทศจบแบบไม่มีปีมีขุยเลยเหมือนกันเถอะเพราะพี่น้องประชาชนเขลุมกันไปดูเก้าอี้หักเหงือนกันนี่แหละเมื่อวานเนี่ยจากนั้นก็นธธาา จ, จกัดทาญาติโยมเออเอาใครจะมาถวายการเทศเขาถวายการเทศมาเมื่อวันหนึ่งเมื่อวานเนี่ยพอเทศจบลงแล้วก็มีทายาทโยมจะถวายอีก เออเอาเข้ามาแต่ในญาติโยมหลังไหลเข้ามาถวายกันเทศรวมแ ล, ล้วรวมรวบรวมกันเทศทั้งหมดมเมื่อวานได้แสนสองหมื่นกว่าบาทหลวงพ่อเทศเก่งอยู่นะเทศไม่ถึงชั่วโมงได้เงินแสนกว่าพอพอได้แสนกว่าหลวงพอ่อเออเอ า, เอาจะตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยที่หลวงพ่อเป็นกันเทศของหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็น อามิทชบูชาหลวงปู่ใหญ่อายุท่านร้อยสี่ปีท่านนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรมิอะไรเพราะนั้นหลวงพ่อพวกเราทั้งหลายเนะคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคนที่ได้ทำบุญแล้วก็ได้อนุโมทนาขอให้ดีบุญทุกคนได้บุญกุศล เพราะว่าเราได้ถวายองค์หลวงปู่พร้อมกันหลวงพ่อได้ถวายทั้งหมดทั้งการเทศหลวงพ่อด้วยทั้งศรัทธาญาติโยมมาถวายการเทศหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อยกถวายอง์หลวงปู่ให้คณะศรัทธาญาติโยมได้บุญสองต่อเน่าศรัทธาญาติโยมเพระหลวงปู่ท่านพักอยู่ในโรงพยาบาลป่วยไม่ใช่ป่วยแล้วโลกโลก รกชลาของท่านนะอายุร้อยสี่ปีพอเทศจบก็ให้ศีลให้พรลงมาพอลงมาทางเสียตุ่มบอกว่าท่านอาจารย์หลวงปูลงมาจะเข้ามาวัดโพแล้วเข้ามาที่นี่แล้วหลวงพ่อก็คิดว่าเสียตุ่มว่าหลวงปูอยู่ที่โบด พอวัดคณะศรัทธาญาตยมยหงลวงปู่เขาไปโบสถแล้วเออเด็เดๆเราจะไปกราบในโบสถ์พ่อที่ไหนได้โอมาอยู่ที่เอารถมาใกล้ๆที่หลวงพ่อแสดงธรรมพวกศรัทธาญาติโยมโอโหฮือฮากันล้อมรถหลวงปู่หลวงพ่อก็เข้าไปกราบตักท่านนะกราบที่เขาของท่านเพราะท่านอยู่นั่งอยู่ในรถเอท่านอย่างยกมือเละ หลวงปู่พอเห็นศรัทธาญาติโยมมาท่านเนี่ยกยกมืออย่างนี้เลยเออ ย, ยกมือในรถเหมือนกันนะเออพวกศรัทธาญาติโยมสาธุหลวงปู่ให้อายุหลวงปู่ยืนถึงสองรอยปีอยขนาดร้อยสี่ปียังพอแรงแ่ะวนะลูกหลานยังให้พรียให้หลวงปู่ร้อยอยู่ถึงสองร้อยปีนะ อ, อจากนั้นหลวงพ่อก็เลยกลาบ คารวะท่านแล้วก็อได้ลงมาออกมากับวัดถึงวัดมึดวานเนี่ยโอ้คามืดพอดีลูกหลานเนี่ยนั่นแหละภาระทุระของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไปแสดงธรรมเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ประกาศเหมือนกันนะประกาศในที่สาธารณะเออศรัทธาญาติโยมลูกหลานกรถินปีนี้กรถินของหลวงพ่อเป็นกรถินพิเศษเน่าลูกหลานหน้าอ่ กะถินพระราชทานพระองค์พระองค์งงสมท่านเสด็จทอดกะถินวัดหลวงพ่อเน้อให้ลูกหลานไปร่วมร่วมรับเสด็จพร้อมๆกันเน้อลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมนะวันอาทิตย์ที่8พฤจิกายนพุทธศักราช2558อาเป็นวันทอดกะถินที่วัดป่านาคำน้อยพระองค์เสด็จ มาถึงงาน1600นตัดถึงตอนเย็นแต่พวกเราก็ตอดรับกับสู้กันตั้งแต่เช้านะั่นะทำบุญทำทานจากนั้นก็เตรียมพร้อมคงจะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมขราชการทุกหมู่เหล่าก็คงจะเข้ามาร่วมกันรับเสด็จมั่งเพราะนั้นขอบอกแจ้งข่าวผู้ที่ พอไปได้บอกต่อตอกันเนะพี่น้องลกูกหลานรับสเสด็จวันที่8พฤศจิกายน5 8กทินใอหลวงพ่อก็ประกาศเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานเนี่หลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมเรียงลำดับนะพอเรียงลำดับเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่เมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงเรื่องปัญญาวิปัสสนา เรื่องวิปัสสนาแต่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ท่านได้รับคําสั่งสอนกับองค์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบุญนั่งทั้งคืนเลยนะนั่งขัดสมาธินั่งทั้งคืนไม่กระดุกกรดิกไม่นั้นเลยจนตั้งแต่หัวค่าจนถึงสว่างนั่งทั้งคืนหลวงปู่มั่นก็ถามถามหลวงตาเป็นไงมาท่านมหาภาวนา ภาวนากับจิตสงบดีกับผมจิตเข้าสู่ความสงบดีนั่งได้ทั้งคืนเลยกับผมหลวงปู่มั่นท่านก็บอกเอยมาท่านมาหาเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็ให้ใหใหออกทางวิปัสสนานะให้พิจารณาทางวิปัสสนาไม่ใช่สมถะเฉยๆนอนอยู่อย่างนั้นเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะต้องให้ออกทางวิปัสสนา แต่นนี้ลงปู่กันแะนะนกูมั่นกัน แ, ะแนะนําวิธีการออกทางวิปัสสนาให้พิจารณาอะไรให้พิจารณากรรมฐานหาเป็นพื้นฐานเพราะมนุษย์ชาติของเราทุกดวงวิญญาณหลงธาตุขันของตัวเองว่าร่างกายสังขารของเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นแต่มันแตกสลายในที่สุดนะให้พิจารณาเกสาผมมันอยู่ในสันฐานยังไงมันเกิดมายังไง คนทั้งหลายก็ดูแลตกแต่งว่าเป็นของเสร็จสวยงดงดงามแต่พอมันอายุมากขึ้นมาก็ผมขาวตกนั้นก็นหล่นแล้วพอหล่นเข้ามาถูกอาหารเป็นที่ขยะขยแขยงทัางไม่ใช่ผมของตนเองถ้าผมขนอื่นทั้งที่แต่แต่อยู่ในบนศีรษะก็ว่าสวยงามในี่ให้พิจารณานะเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บนะ้าเล็บทำไม่แขะไม่ล้าง ไม่ทําความสะอาดก็สกปรกท่านตาฟันเหมือนกันถ้าฟันไม่แขะไม่ล้างไม่ทำแปลงฟันไม่สะอาดก็ไม่น่าดูตาโจหนังร่างกายของเรามีหนังหุ้มโดยรอบทำไปชําระล้างหนังอาบน้าชําระกายมันก็มีกลิ่นขึ้นมาได้เพราะนั้นร่างกายสังขารท่าไปปล่อยตามสมภาพของมัน มันจะเป็นอสุภะปฏิกูลนะให้พิจารณาอันนี้ก็คือพิจารณากรรมฐานกรรมฐานห้าถ้ามากกว่านั้นก็ให้พิจารณาเข้าไปข้างในอีกมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้พิจารณาอาการ32ของร่างกายให้พิจารณาเข้าไปส่วนใน หรื อ, รอพิจารณาเป็นธาตุส่ธาตุสี่ร่างกายของเรามีธาตุสี่คือกระดกูกคือเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็คือเลือดธาตุเลือดและปัสสาวะอันนี้อยู่ในร่างกายของเรา เ, เป็นธาตุน้ำน้ำตุดตา เ, เป็นน้ำตาอันนี้แหละเป็นธาตุน้ำธาตุลมก็ ค, คือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้อง ลมในลำไส้แล้วก็ธาตุไฟคือเทาเผาอาหารให้ย่อยแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราให้เหงื่อออกคือธาตุไฟมันอยู่ด้วยกันดินน้ำลมไฟถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งร่างกายไน่อยู่ไม่ได้ตายผล น, นั้นในพิจารณาร่างกายของกลอคือธาตุซีภาพรวมมันคือ อาการสามสิบสองแล้วก็กรรมฐานกรรมฐานห้าให้พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาคนเรามนุษย์เราหลงต้นนี่แหละหลงร่างกายว่าจะอยู่โชเฟ้าดินสลายตายไม่เป็นนะแต่ตามไม่จริงมันไม่ไม่ใช่อันนี้ก็คือหลวงปู่ท่านแนะนำองค์หลวงตาแต่ท่านองค์หลวงตาเนี่ยท่านพิจารณาแต่ท่านว่าไม่ไม่ออก พอเคยอยู่ในสมาธิมาพอแรงเนะ่ยพิจารณามันเหนื่อยเนมันไม่ยอมออกพิจารณาน่ยเออเป็นคำถามเป็นไงท่านมหาการพิจารณามันออกไปไหมมันไม่ออกกระผมมันไม่ยอบออกจากสมาธิเพราะสมาธิมันสบายมันมีความสุขพระจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยเน่งเออมันไม่รับรู้รับทราบเรื่องอะไรเหมือนกับเราเข้าไปนอนในห้องแอร์ลักษณะอย่างนั้นะ่ะ แต่นี่บังคับหรือว่าให้คนออกไปจากห้องแอร์ไปทํางานไปปัดกวาดทาความสะอาดไปทํางานเรื่องอะไรต่อไม่อะไรมันไม่อยากจะออกไม่อยากจะออกจากห้องแอร์พอออกอยู่ในห้องแอร์มันสบายกว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าไม่ได้ถ้านอนอยู่ให้ห้องแอร์ตลอดวันจะมีผลงานได้อย่างไรการทํามาหาเ ล, เลี้ยงชีพจะเลี้ยงชีพได้ยังไงมิตานอนในห้องแอร์บังคับให้ออกสิ เออเนี่ยแหละหลวงตรงปูมั่นให้พิจารณาท่านสามท้าวอีสมาธิเออจิตติทีตต่ติดอยู่ในสมาธินั่นเหมือนกับมีรสชาติเหมือนกั บ, เ น, กบเนื้อติดอยู่ในลายลฝันเขาเองชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อติดอยู่ในในลายฝันของตัวเองนั่นแหะมีความสุขเพียงแค่นั้นหละเออมันจะไปหาความสุขเพียงแค่นั้นเด้อต้องพิจารณาเนะ่ย นี่แอันนี้หลวงลงพ่อมาพูดถึงกําลังจะเข้าพูดจุดนี้แลหละเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้หักว่าไนะอหลวงพ่อกัอนออบอกว่าเนี่ยนะการพิจารณาขององค์หลวงตาหลวงปู่มั่นให้หลวงตาพิจารณาหลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงตากับพิจารณาตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นที่เป็นอาจารย์สอนเรื่องวิปัสสนาให้พิจารณาพอพิจารณาไปทะานโอง แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายนำจิตใจที่ได้ผ่านความสงบมาเป็นยมนมนานจิตที่ผ่านความสงบมันนมนานมาพิจารณาร่างกายพอพิจารณบาบังคับให้ออกพอบังคับมันออกออกไปเลยบ้านโอ้พิจารณาตัวไหนขึ้นมาตัวนั้นเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอัน เ, อเป็นผลกําไรขึ้นมารู้แจง้งเห็นจริงขึ้นมารู้รูร้โ เออมันไม่เหมือนอยู่ในสมาธิมันเหมือนสมาธิมีแต่เอาผ้าค่้อมหัวะก็นอนหลับเนี่ยเออแต่เมื่อพิจารณาเข้าไปเนี่ยได้เป็นกรอบเป็นกรรมผลที่ออกมารู้แจง้งเห็นจริงในเรื่องต่างๆนะอจากนั้นก็นะแต่พิจารณาจนหลงลืมเลิดเปิดเปิงแต่ตามไม่จริงเรื่องสมาธิเนี่ยถ้าจะว่าไปก็เหมือนเราทามาค้าขายในหมู่บ้าน ถึงจะรวยยังไงก็รวยอยู่ในหมู่บ้านแต่ถ้าหากว่าวิปัสนาออกนอกแล้วนะเ อ, อทาํามาค้าขายต่างหมู่บ้านต่างอําเภอต่างจังหวัดไปถึงต่างประเทศนะ อ, อรู้ผลรายได้คนที่จะออกไปต่างประเทศได้มันไม่ใช่ธรรมดาเนะ่นี่ก็เหมือนกันนะ่ะวิปัสนาของครูบาอาจารย์ที่ท่านพิจรารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแนหะเมื่อพิจารณาแล้วเอ อ, ออกยอย่างมาก แต่หลวงปู่มั่นท่านเป็นไงท่านมาหาภาวนาโอ้มันออกจนนอนไม่หลับก็ผมมันออกทั้งวันทั้งคืนเลยอหลวงปู่มั่นเอ้ยมันออกเกินไปนะั่นนะ่ะ บ, บังคับให้เข้าสมาธิให้ไดนะ้นี่แหละมีครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นนะคณะสัตาาธาธิโยมพระเนนลูกหลานพอมันคิดตะเลิดเปิดเปิงจนเกินไปนะก็บังคับให้ให้เข้าในสมาธนะิพอบังคับเข้าสมาธิทีนี้ เออมันเข้าไม่ได้ทีนี่เออเพราะมันเคยออกไปแล้วทีนี้เออหลวงปู่มันก็ต้องบังคับให้ได้ถ้าไม่เข้าบังคับไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้านนัะ่นแหละนะมันออกเตริดเปิดเปิงฮงเออหลวงตาก็บังคับให้อยู่ในสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธพดโธพดโธเข้ามากรรมาฐานเดิมจิตนั้นจิตใจอยู่นิ่งทีนี่เออ พออยู่เน่งเลยนี่นำออกไปไปพิจารณาในเมื่อพิจารณามันเหนื่อยกลับมาสมาธิบังคับให้อยู่ในสมาธินี่แหละคือความถูกต้องในการบําเพ็ญสม ถ, ถะและวิปัสสนาข้อนั้นผมให้พวกเราผู้เดินทางสายนี้แนหะเดินทางการพิจารณาเนะี่ยหรือว่าเดินสม ถ, ถะเนะี่ยถ้าเดินสมถะอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าปุบ ป, ปับก็มาเดินวิปัสสนาเลยโดยที่ไม่มีสมาธิ จะเป็นสัญญากับสังขารจะมากกว่าเออมีแต่คิดไปคิดไปเออเออนอเออน อ, นอไปเลยเพะที่สุดไม่มีจุดหมายปลายทางจุดไหนที่จะชำระกิเลสตัดกิเลสภายในจิตใจให้เด็ดขาดไม่มีมีแต่สัญญากับสังขารพูดรับรู้กันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจัดจิตของเราผ่านสมาธิจิตใจของเราสู่เข้าสู่ความสงบแล้ว แล้วทํามาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเห็นได้ชัดเจนในเมื่อพิจารณาร่างกายเสร็จแล้วนะ่ะเห็นแล้วร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะต้องไปตามสภาพขององมันอีกวันหนึ่งแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่มีตายทุกคนแต่และตายแล้วนะ่ะนั่นละ่ะดวงวิญญาณจะออกจากร่างนั่นแหละมาพิจารณาถึงดวงวิญญาณคือดวงใจเถ่ะเมื่อมีสติอยู่แล้วนะี่ะ ก็เข้าไปถึงตัวผู้รู้คือใจใจของเราเนี่แหละเป็นหลงไปหลงหลงร่างกายพอหลงร่างกายตัวเองแล้วก็หลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงลาภยศสรรเสริญสุขหลงเงินคำทรัพย์สมบัติหลงร่างกายคนอื่นสามีภรรยาลูกหลานหลงไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันหลงละร่างกายว่าร่างกายนี่ของตัวเองนี่จะอยู่โชคฟ้าดินสลาย จะมั่นคงถาวรแต่ตามให้จริงไม่ใช่เมื่อพิจารณาตามความตามเหตุตามผลแล้วอย่าไปหลงนะใจนะอีก ร, ร่างกายของเราเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราบอกว่าอย่าแก่นะห้ามมันอยู่ไหมห้ามตัวเองนะอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันบอกอยู่ไหมใจถ้าขนาดบอกร่างกายยังไม่อยู่มันก็ไม่ใช่ของเราเมันบอกไม่อยู่บอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังแล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรใจนะอย่าหลงนะ นี่แหละมาพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจเท่านั้นแหละท่ปล่อยวางที่ใจนไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่อยู่ที่ไหนน่ะกิเลสมันอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจ อ, อหมดกิเลสอยู่ที่ใจเนี่แหละใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเมื่อําระใจใจบริสุทธิ์นั่นแหะประกาศได้เลยว่า ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานะคะนั่นสท้าญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกอง เ, ออเมื่อทีแรกกเนี่ยล้ลมลุกคุกขานเรื่องธรรมสมาธเิเมื่อจิตใจพอเป็นผ่านสมาธิแล้วก็ออกทางวิปัสสนาในเมื่อวิปัสสนาแล้วกลับเข้ามาหาสมาธิ อ, อสลับกันต่างกล้ำต่างวาระ แต่ท่วงไหนที่เราจะให้จิตสงบเราก็บังคับถ้าจิตใจมันสงบมันไม่อยากจะออกกับให้มันอยู่พักหนึ่งแต่มันออกเกินไปมันอยู่เกินไปเสีแล้วก็บังคับให้มันออกถ้ามันออกตระเปิดเปิเปงจนเกินไปก็บังคับให้กลับเข้ามาหาสมาธินะนี่แหละวิธีการปฏิบัติจิตภาวนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายของหลวงปู่มั่นของพวกเราท่านแนะนาสั่งสอนลูกหลาน ให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แห่ะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตื่นหะน้